u d d h a m s r a g a c c h u d d h a m r a g a c c h a u d d h a m m r a g a c c h d h a m m a m r a gacchā. เพราะการดับศูนย์สิส้นไปแห่งอุปาทานสี่ภาวะคือกรรมมภาวะและอุปาติภาวะจึงดับลงเพราะการดับศูนย์สิส้นแห่งภาวะชาติคือความเกิดขึ้นแห่งโลกย้ววิบากและเจตสิก กรรมชรูปจึงดับลงและการดับสูญสิ้นแห่งชาติและการดับสูญสิ้นแห่งชาติกิอชะลาความแก่มรณะความตายโศกความเศร้าโศกปริเทวะการร้องไห้ลำพันธ์ทุกข์ขาความทุกข์กายโทมณัสสะความทุกข์ใจอุปายาสะความคับแค้นใจจึงดับลงความสูญสิ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมเป็นด้วยประการอย่างนี้มีลักษณะมีสายดับเขาเรียกว่านิโรธวาระ แต่ถ้าสายเกิดเขาเรียกว่าสมุทยะวาระใช่ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายนในการใดแลภิกษุละอวิชาได้แล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วในการนั้นภิกษุนั้นก็ไม่ทำกรรมที่เป็นบุญไม่ทำกรรมที่เป็นบาปไม่ทำกรรมเป็นอนเนนชาเพราะสำรอกอวิชาเสียเพราะมีวิชาเกิดขึ้นเมื่อไม่ทำเมื่อไม่คิดเมื่อไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลก่างั้นเนี่ย เมื่อไม่ถือมั่นเมื่อไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวแล้วเนี่ยนะก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีภิกษุนั้นถ้าสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดมั่นแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพิดเพลินแล้วด้วยตัณหา ถ้าเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงทุกขเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดมั่นแล้วไม่ไม่ถือมั่นแล้วเนี่อันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหาถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดไม่ยึดถือด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินด้วยตัณหาภิกสูตรนั้นถ้าเสวย อาจทุกมาสุขเวทนาก็วางใจเฉยแล้วก็เสวยไปภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตรู้จกักรู้จักการเสวยเวทนาทางชีวิตไม่ยอมสุรีเสวยยังไงเ <Rio> นืน้รู้ไหม เสวยทุกเวทนาทางชีวิตนี่เสวยยังไงเสวยเวทนาทางชีวิตเนี่ยจริงๆโยมสุรีน่าจะรู้นะเคยบอกโยมสุรีนะเนี่ยนะถ้าเสวยทุกเวทนาทางชีวิตนี่หมายถึงเสวยยังไงเสวยยังไงฮะ <laughs> ไม่รู้อีก <c oughs> คืออย่างนี้ถ้าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ว่าเราเสวยเวทนาปรากฏทางกายใช่ไหยเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต ก็รู้ชัดว่าเราสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันตนอันตันหาไม่เพิดเผยแล้วจักเป็นของเย็นตรีละธาตุนั้นจักเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายแต่ชีวิตเพราะความแตกไปแห่งกายถามว่าถ้าชีวิตแตกไปเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเวทนาหมดหรืยอยังธาตหลังหมดหม พระรหันต์ท่าตายแล้วเวทนาท่านหมดไหมหมดไหมหมดหมดแล้วท่านจะรู้ไหมว่าชีวิตของท่านจะไม่มีเวทนาอีกแล้วเพราะท่านจะมีนิพพานใช่ไหมเพราะเวทนาเป็นขันไหมเป็นขันฉะนั้นตัวเวทนาเนี่ ย, ท, ยท่านจะไม่มีอีกแล้วท่านจะไม่มีอีกแล้วดูก่อนพิกษุดังหลายบุรุษยกหม้อที่ยังร้อนจากเตาเนี่ยแล้วก็เผาม้อวางไว้ที่พื้นอันเรียบ ไออุ่นที่หม้อนั้นพึงหายไปกับเบื้องหม้อที่ยังเหลืออยู่ที่พื้นดินนั่นแหละแม้ชันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตรู้ชัดว่าเวทนาทั้งปวงอันตัญหาไม่เพิดเืนแล้วจักเป็นของเยนตรีระธาตุจักเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้น เบื้องหน้าแต่ตายแตกตั้งแต่สิ้นชีวิตเพราะความแตกไปแห่งกายฉันนั้นเหมือนกันพระอรหันต์ท่านจะรู้ไหมถ้าว่าท่านตายไปแล้วสรีระธาตุท่านจะเหลืออยู่รู้ไหมและสรีระธาตุของท่านจะเป็นที่ศากาละบูชาของคนที่ทําบุญทั้งหลายเท่านั้นเองคนปรารถนาบุญทั้งหลายก็จะเอาสรีระธาตุของท่านที่กลายเป็นพระธาตุทั้งหลายนะแต่เวทนาของท่านหมดแล้ว เวทนาทางเวทนาที่ปรากฏทางกายเวทนาที่จกปรากฏทางชีวิตของท่านหมดแล้วแต่พวกเราทั้งหลายปัจจุบันนี้มีเวทนาในมนุษย์ถ้าถามเวทนาในใบยูมิหมดที่จะยังจะไปเอาอีกไหมเนยเอาไม่เอายังปราถนาเวทนาในอนาคตไหมเอาไม่เอาเอาก็คือปราถนานั่แหละปราถนาใช่ไหม น่ากลัวไหมเวทนาเนะี่ยที่เวทนาถูกทรมานสาสสองอย่างในกรรมกรสามสองอย่างเวทนาแบบนั้นน่ากลัวไหมได้ไหมที่ที่เรากลัวเดี๋ยวก็โดนแล้วเคยเคยโดนมาแล้วเคยโดนมาแล้วถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานโดนไหมโดนอยู่แล้วเป็นธรรมดาเลยนะเนะี่ยสัตว์เดรัจฉานเที่ยวมาว่ากันนะถูกยิงถูกเจาะถูกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านไม่ได้จํากัดใช่ไหมว่าจะเป็นใครอ่ะว่าเสียวไหมชีวิตเนะี่ย ชีวิตหน้าหว่าเสียวไอเวทนาที่มันยังไม่หมดเนี่ยตราบใดเวทนายังไม่ดับยังไม่เย็นนะสุขเวทนาทุกขเวทนาและทุกกรมสุขเวทนาที่เป็นไปทางกายทางใจเนี่ยนะทางชีวิตเนี่ยนะถ้ายังไม่ดับเย็นเมื่อไหร่ไม่เหลือแต่สลีละธาตุเมื่อไหร่แล้วทุกขปูนกาหัวไดงทุกเนะี่ยใช่ กันแล้ววันี้ทุกแน่แน่ถ้าเจอใครบอกเงี้นนะเจ้าหมูบอกทุกแนแน่อย่งางเงี้ยนะคตทุกทุกทุกอ่ะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยลองคิดดูว่าบางคนกําลังเพลิดเพลินไงไหมกำลังหัวเราะเนี่ยเราคิกว่าอนาคตเขาจะร้องหไห้้นีมคือการร้องไห้ในธรรมวิ น, ยนัยคนที่กําลังหัวเราะล่าเริงกันนะคือการร้องไห้ในธรรมวินัยนี้แท้จริงหัวเราะเนี้ยหัวเราะได้สุดสายไหมได้ตลอดสายไหมล่ะ ไม่ตลอดหรอกยิ้มก็ยิ้มแห้งๆอ่ะเชื่อไหมล่ะถ้ายิ้มแบบประเภทที่ว่ารู้ว่าตนเองเนี่ยจะต้องไปลำบากลําบนอาเทียมปลอบใจกันไว้ใช่ไหมอย่างพวกเราเนี่ยเจอหน้ากันให้ปลอบใจกันก็ไว้แต่พอจะจากกันพูดยังไงล่ะลำบากแน่ลำบากแน่นี่เป็นอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทงฆ์หลายพวกเธอจะสําคัญข้อนั้นเป็นชไหนะ ภิกษุผู้ขีนาศบทำกรรมเป็นบุญบ้างทำกรรมเป็นบาปบ้างทำกรรมเป็นอนิจชาบ้างหรือหนอพระรหันเนี่ยทำกรรมไหมทำกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปทำอนเนญจชาไหมไม่ทำสังขารแล้วไม่ทำปุญญาพิสังขารนะปุญญาภิสังอาอนญชาพิสังขารแล้วภิกษุบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าถามต่ออีกอย่างหนึ่งเมื่อสังขารไม่มีโดยประการทั้งปวง พอสังขารดับวิญญาณพึงปรากฏหรือหนอถ้าสังขารไม่มีอ่ะปฏิสนธิวิญญาณ19หรือประวัติวิญญาณสาสองเนี่ยมีหรือไม่มีไม่มีไม่พึงปกลอย่างเงี้หนหรืออีกอย่างหนึ่งเมื่อวิญญาณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะวิญญาณดับนามรูปนามคือเจตสิกฐานสามรูปคือปฏิสนธิกรรมะชรูปมีประวัติกรร ม, มชรูปได้ไหม ปฏิสนธิกรรมมชรูปเนดับหรือไม่ดับไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อนาำรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะน้ำรูปดับสรายาตนะพึงปรากฏหรือเนอะบอกไม่เป็นอย่างนั้นอาญาตนาหกกระดับอชาติกายาตนาหก็ดั บ, ออดบหรือเมื่อยาอายตนะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะสรายาตนาดับผัสสะละ่ะจะปรากฏอยู่หรือหนอบอกไม่ใช่อย่างนั้นผัสสะก็ต้องดับผัสสะจะเกิดขึ้นต้องมีที่อาศัยไหม ต้องมีที่อาศัยต้องมีอะไรต้องมีอายะตนะคือตาอายตนะคือรูปอายะตนะคือใจเป็นตันใช่ไหมต้องมีอายะตนะต้องมอีถ้าไม่มีอายะตนะแล้วเขาเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อผัสสะไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะผัสสะดเวทนาจะปรากฏหรือหนอ่อไม่พึงอย่าง น, านั้นถ้าผัสสะทางทวะจะขู่สัมผัสสะไม่มีไอเวทนาจะขู่สัมผัสชาเวทนาจะมาจากไหนอ่ ถ้าโสตสัมผัสชาถ้าโสตสัมผัสไม่มีโสตสัมผัสชาเ ว, วทนาก็ไม่มีภาษะเนี่เป็นไปในทวารหกถ้าภาษาในทวารหกไม่มีไอเวทนาในทวารหกก็ไม่มีนะดับ อ, อีกอย่างหนึ่งเมื่อเวทนาไม่มีโดยประการทั้งปวงและตัณหาจะปรากฏไหยเนี่ยตัณหาก็ไม่มีตัณหาก็ดับเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวง ทำว่าไม่มีโดยประการทั้งปวงคือตัณหาไม่มีในการในไหนเลยใช่ไหมตัณหาหตัณหาร้อยแปดตัณหาที่เป็นไปในาการสามเนี่ยเนะือุปาทานจะปรากฏหรือเปล่าอุปาทานก็ไม่ปรากฏหรืออีกอย่างหนึ่งเมื่ออุปาทานไม่ปรากฏโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับพบจะปรากฏหรือหนอผไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอีกอย่างหนึ่งเมื่อพบไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะพบดับเลยชาติก็ไปดับ เมื่อชาติดับล่ะชราโมรณะก็ไม่ปรากฏใช่ไหมดีละดีละพิกษูทั้งหลายพวกเธอจงจําจงเชื่อซึ่งข้อนั้นไว้ว่าเงี้นให้เชื่อแบบนี้ในข้อนั้นเถิดพวกเธอจงน้อมใจไปสู่ข้อนั้นอย่างนั้นเถิดดุเพระพุทธเจ้าบอกจงเลยอันนี้เป็นอา น, นัดนะเนี่ยเป็นคําสั่งนะเป็นคําสั่งของพุทธเจ้าพวกเธอจงน้อมใจไปสู่ข้อนั้นอย่างนั้น จงหมดความเครือดแคลงสงสัยในข้อนั้นเสียเถิดนั้นเป็นที่สุดแห่งทุกขนะ์นะเนี่ยนี่ที่สุดแห่งทุกข์เป็นแบบนี้แปลว่าให้ให้ละวิจิกิจฉาใช่ไหมในสายเกิดและสายดับว่าเป็นไปอย่างนี้จริงๆกระบวนการของความทุกขนะ์เนี่ยถ้าเข้าใจปฏิจจารสมุาบาทดีในเรื่องภพชาติจะเข้าใจไหมเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องภพชาติก็ไม่ต้องสงสยยัยเลยรทีนี้เรื่องภพชาติไม่ต้องสงสยัยนี่เป็นอย่างนี้ เอะต่อไปดูดูต่อตรงนี้นะในปฏิจจสนบาทโดยปฏิรมนี้ข้อสำคัญก็คือความดับสูญสิ้นของอวิชานั่นเองส่วนความดับของสังขารเป็นต้นนั้นเมื่ออวิชชาดับลงแล้วสังขารเป็นต้นเหล่านั้นก็ดับลงพร้อมกันไม่ใช่ดับไปทีละอย่างตามลำดับซึ่งต่างกับในอนุโลมเทศนาอุปมาเหมือนมเมล็ดพืชและ ที่เพราะลงอะเพราะลําต้นที่ปรากฏขึ้นได้เมื่อมีลําต้นแล้วที่กิ่งก้านก็ปรากฏขึ้นเมื่อกิ่งก้านปรากฏก้านปรากฏขึ้นเมื่อก้านปรากฏและใบแล้วดอกก็ปรากฏเมื่อดอกปรากฏแล้วลูกก็ปรากฏเมื่อลูกปรากฏแล้วเมล็ดก็ปรากฏเมื่อมีเมล็ดแล้วลําต้นก็ปรากฏขึ้นมาอีกเมื่อมีลําต้นแล้วก็มีกิ่งก็ปรากฏขึ้นได้เป็นเหตุเป็นผลกันโดยเฉพาะ การเวียนอยู่เรื่อยไปไม่ขาดสายเช่นนี้ก็เหมือนกันกับปฏิเสธบาทอนุลมเทศนาอวิชชาปัจญาสังขาราเป็นต้นนั่นเองว่า้นแต่ถ้าเอาเมล็ดนั้นมาเผาทําลายแล้วเนี่ยลาต้นก็ปรากฏขึ้นไม่ได้เมื่อลําต้นปรากฏขึ้นไม่ได้กิ่งก็ปรากฏไม่ได้เมื่อกิ่งปรากฏไม่ได้ก้านก็ปรากฏขึ้นไม่ได้เมื่อก้านปรากฏใบก็เกิดขึ้นไม่ได้ดอกก็ปรากฏขึ้นไม่ได้เมื่อดอกปรากฏไม่ได้ลูกก็ปรากฏไม่ได้ เมื่อรูปปรากฏไม่ได้มเมล็ดก็เกิดขึ้นไม่ได้มเมื่อเมล็ดเกิดไม่ได้ลาต้นก็เกิดไม่ได้แต่การแสดงเหตุผลฝ่ายดับการแตกในการแสดงเหตุผลทางฝ่ายการเกิดไม่ได้ที่เป็นไปตามลำดับนี้ก็เป็นเพียงการแสดงโดยวัวหารเท่านั้นซึ่งแท้ที่จริงเมื่อได้ทำลายเม็ดพืชเสียไปเสียแล้วต้นกิ่งก้านใบดอกและลูกมเมล็ดเหล่านี้ก็จะดับลงด้วยนะ พระพุทธเจ้าจึงแสดงในยะของปฏิลมฺบเทศนาบอาวิชายะาเวว่าเสสะวิราคานิโรธาสังขาริโรโทรเป็นต้น <Hey. S 2> คือในในยะของการเทศนาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นการเทศนาไปตามลําดับแต่การดับจริงๆถ้าวิชาดับนี่ดับไปพร้อมกันหมดไหมดับไปพร้อมนคือจริงๆคืออย่างนี้ในยะของเทศนาเนี่ยนะการในยะของการเกิดขึ้นก็ลยอย่างกันไหมก็ลยอย่าง เทศนาเนี่ยอนุโลมเทศนาหรือปฏิโลมเทศนาเนี่ยแต่การเกิดขึ้นเนี่ยไหมก็อีกอย่างเช่นว่าถ้าหากวิชาในอริยมรรเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะดูวิชาในอริยมรรเกิดเผ อ, อิญอย่างเราเรียนตรงนี้แล้วเราดูวิถีอะไรดูวิถีอะไรดีดูวิถีอรหัตธรรมนะลองดูสักนิดมีเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าถามบอกว่าพผ้านาคาเนี่ยนะ ในขณะที่ท่านจะทําอรหัตามรรคให้เกิดขึ้นนะนะก็แปลว่าในขณะนั้นก็คือว่าท่านต้องการที่จะท่านทํากิจในการที่จะทําอรหัตามรรคให้เกิดเนี่ยแปลว่าต้องจเจริญอะไรจะเจริญวิปัสนาญาณ10วิปัสนาญาณเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไหนอุทยาพยาญาณเป็นต้นใช่ไหมก็เริ่มตามลําดับมาจากอุทยาพยาญาณอาทีนวายานมุนจีโตกรรมยาตาญาณปฏิสังขายานมาตามลําดับ มาจนถึงสังขารุเปกขายานอนุโลมายานแล้วก็ววฐานแล้วก็มรดิถามว่าในขณะที่ในในวิถีนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะตอนนั้นอวิชาไปอยู่ยังไงไอ้สํารอกอวิชาเนี่ยการสํารอกอวิชาเนี่ยท่านไม่ได้กล่าวบอกว่าละอาวิชาเนดีดหรื อ, อนาคตแต่เหมือนใช่เหมือนกับการที่บอกว่าเมื่อ วิชาในอรหัตตมรรคปรากฏเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันกับละอวิชาที่จะเกิดในอนาคตได้โดยเด็ดขาดแต่แท้ที่จริงก็คือว่าเมื่ออาวุธวิชาในอรหัตตมรรคเกิดขึ้นในขันธ์สันดานของท่านผู้ใดแล้วท่านผู้นั้นก็คือเป็นผู้ที่ตัด ก, กระแสรรของวตตะแล้วใช่ไหมการที่บรรันบอกว่าชาติสิ้นแล้วพระมาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนอันนั้นเป็นเป็นยานในอรหัตตมรรค ยานในอรหาตาัตมะเกิดขึ้นมาทำลายกิเลสปุ๊บใช่ไหมเออข้อพายเป็นยานในอรหัตาผลวิชากล่าวคือยานในอรหัตาผลนั้นเรียกว่าอนุปาขยะยานก็เรียกเรียกอนุป า, อ น, ปาอนุปาท่ายานก็เรียกก็คือยานที่เข้าไปรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีใช่ไหมคือยานในอรหัตาผล ญาณในหัตถผลเนะี่ยรู้ว่าชาติสิ้นแล้วแต่ญาณในหัตถมรนั้นทำกิจใช่ไหมแต่วิชาในที่นี้อุตปาที่เป็นต้นเนี่ยอุทปาทิยานางอุตปาทิปัญญาในที่นี้นะวิชาเกิดขึ้นมาแล้วมันท่านหมายถึงวิชาในในมร์แต่ถ้าวิชาที่สูงสุดจริงๆคือที่สำรอกกิเลสหรืออาวิชาได้หมดสิ้นก็คือวิชาในอรหัตมร์แล้วส่วนวิชาที่ในอรหัตผลนั้นเข้าไปรู้ ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจเท่าไรกิจเท่าไรทําเสร็จแล้วกิจเท่าไรกิจ16บหกโสดาปฏิมากเกิดขึ้นทํากิจกี่อย่างสี่กิจสกาทาวคาหมีมากกว่าสกิจแล้วคือสิ้นในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่ากิจถ้าอย่างกิจอย่างอื่นเนี่ยพวกเราทำเสร็จ กันบ้างอะไรก็บ้างเยอะแยะไม่เรียกว่าเสร็จกิจใช่ไหมพ่อไม่ได้ทํากิจแห่งการเข้าไปรู้ทุกวันนี้ทุก์เนี่ยนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยไอ้กิจในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ทําพวกเราจึงไม่ได้ทํากิจในอรยิยมรรคใช่ไหมยะแล้วถ้าจะทํากิจเนี่ยก็ทํำยังไงยมูห์ทำไงในปฏิจจสุบาตนะ์มีอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่า ดูก่อนพิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าไปสรุปในท้ายเนี่ยกว่าในกิจเนี่นีที่บอกว่าดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนเนี่ยนี้ทุกเนี่ยนี้ทุกคาเลียสัตว์อันนี้เป็นสัจจาานนะที่เข้าไปรู้ว่านี้ทุกอันนี้เป็นสัจจาาน ยานที่เข้าไปรู้ทุกขัสัตเนี่ยนะแล้วก็ดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแก่เราเป็นต้นเนีว่าทุกขเริยสารปริญญาการกําหนดรอบรู้ น, ะนี่กิจยานก็แปลว่าในแง่ของสัจ ย, ยานก็รู้กิจจยานพระองค์ก็ไปรู้ใช่ไหมแล้วก็กตายานกตายานนี่คืออะไรทุกขเริยสัตนี่แหละเราได้กําหนดรอบรู้แล้วในในทุกขเริยสารถามว่า เข้าไปรู้ว่านี้ทุกนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ไปทำปริญญาไปรอบรู้ว่าไปกำหนดรอบรู้นี่เป็นกิจยานไปกำหนดรอบรู้ทุกพรู้ทุกแล้วก็ไปรอบรู้ในทุกด้วยด้วยปริญญาสายาตาปริญญาตีระะปริญญาและปะหานะปริญญาเขาเรียกว่ารอบรู้ด้วยกิจยานส่วนกตายานนะ่แปลว่ารอบรู้แล้วใช่ไหมรอบรู้แล้ว ถ้าในทุกขศาสตร์ ญ, ญาณเนี่ยรู้สามรอบใช่ไหมรู้ว่านี้ทุกแล้วก็ไปรู้ในการที่ทําปริญญาสามด้วยกิจยานเนี่ยและกะตายานก็คือวรรอบรู้แล้วรอบรู้ทุกหมดสิ้นแล้วยังเนี้ยอะไรรอบรู้ทุกหมดสิ้นอรหัตตาผลเนี่ยรอบรู้สิ้นแลรอบรู้สิ้นแล้ ว, ส, ลวส่วนญาณวิชาปัญญาอีกประการหนึ่งก็คือว่าสัจ ญ, ญา น, นี้ทุกขสมุ ท, ทยัยในทุกขสมุทัยก็รู้ว่านี้เหตุให้เกิดทุก แล้วยังไปทําปริญญาสามอีกนะ่ด้วยการละปะหานะปริญญาใช่ไหมว่านี้นี้นี้ทุกขสมุทัยก็ได้ละแล้วเออได้กำลังละนี่นะทำปริญญากําลังละและกะตายานก็คือว่าได้ละแล้วได้สเหมือนกันใช่ไหมในสมุทยสัจจาก็สในทุกขสัจาก็สเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นหแล้วนะกิดกิดหกิดแล้วทีนี้ประการต่อมาคือว่า นิโรธนี้ทุกขานิโรธคือความดับทุกข์นั่นเข้าไปรู้ว่า น, นี้ทุกขานิโรธอะไรทําเข้าไปรู้ยานวิชาปัญญาเนี่ยรู้ทันทีเลยว่า น, นิพพานเนี่ยและไม่ใช่รู้แค่นั้นก็คือว่าสัจจิกิริยากิริยาการทําให้แจ้งและทําให้แจ้งแล้วเข้าไปทําให้แจ้งแล้วในในในใ น, ในพันิพานนั้นและประการต่อมาก็คือว่าเราทําให้แจ้งเสร็จแล้วกตาญาณ ก็แปลว่าน <an> ิโรธเนี่ยทำให้แจ้งเรียบร้อยไปแล้วนิโรธในโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลก็แจ้งมาแล้วนิโรธในสกาธาคามิผลก็ผ่านมาแล้วนิโรธในอนาคาวิผลและนิโรธในอารหัตตผลเห็นไหมที่ไปมีนี้เข้าไปรู้แจ้งในนิโรธในอารหัตตผลรู้หมดแล้วไม่มีกว่านี้อีกแล้วเรื่องนิโรธการรู้แจ้งที่จะมากไปกว่านี้ไม่มีแล้วสามอย่างเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยในนิโรธก็สาม สัจญ า, านกิจญาณแล้วก็คาตญาณประการต่อมาคือด ว, ดวงตาญาณวิปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้อริยมรรนี้สัจญ า, านโอนี้นี้เป็นมัชิมาปฏิปทาเนอะแบบนี้นี้เป็นมัชิมาปฏิปทาเนะเนี่ยแล้วก็ไปรู้อะไรกิจญาณรู้ยังไงทำไง ทำอริยมรรคให้ดําเนินไปดําเนินไปแล้วและประการต่อมาคือกัตตาญาณเราได้เจริญเสร็จแล้วแปลว่าอริยมรรคในการที่จะทําลายกิเลสนะวิชาในใะนสูงสุดนะคืออรหัตมรรคเนะี่ยอรหัตผลเนี่ยนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงประกาศเลยว่าดูก่อนภิกษทุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแกเราในธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังได้ยินได้ฟังมาก่อน ว่าทุกคลนิโรธคามมนีปฏิปทาอริยสัจนี้แหลเะเราเจริญเสร็จแล้วเนี่ยพรมาจารย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแปลว่าเท่าไหร่กิจสิบหกเสร็จแล้วอันนี้เป็นกิจที่ควรรีบเร่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้ตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่มีสามรอบมีอาการสิบสองนี่แลยังไม่หมดจดดีเพียงใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยอดเยี่ยมในโลกนะพร้อมทั้งเทวโลกมารพรหมว่างนะั้นในหมู่สมณพราหมณ์และมนุษย์ถึงเพียงนั้นเ็าบอกว่าความจริงเราในกิจในเรียสัตวสีนะสามรอบมีอาการสิบสองสามสี่สิบสองถูกไหมนะอย่างเรายังไม่ได้วนสักรอบเลยเนะี่ยยังไม่ได้วนสักรอบเลยเนะี่ย ในสี่ในสี่อย่างเนี่ยไปแตะแตะได้บางท่าเนี่ยพอจะทําให้อาวิชาหวั่นไหวหบางท่ง น, น เ, เน้นเน้นพิรยศเอาให้วิชาทําท่ากลัวบางท่านเอ็นเดีจริงมีหัวล็ อ, อกกากเลยนะวิชาหัวล็ อ, อกทำท่าเรียนนะเรียนปฏิจจาร์ทำท่าอยากจะรู้จากเราเพราวกนั้นทำท่าจะอยากจะรู้จากเรา พอกลับไปถึงก็กลายเป็นผู้ประมาทเหมือนเดิมอวิชาหัวเราะใหญ่บอกใหม่ๆใหม่ๆเขากลัวยังก็ว่าวิชาเนี่ยเขาเห็นเราทาําท่ายาวจริงอะนะมอนนั่งเรียนนั่งท่องโอ้โหพอทีแรกอวิชากลัวจังไงตอนตั้งใจที่จะเรียนใหม่ๆนะพ อ, เ, อเรียนไปเรียนมาพออวิชาเริ่ำมุดกำหนดทิศทางตูวว่าอย่างงี้เราแทรกได้ทุกอิริยาบถเลยก็คือ พ่อก็บอกอวิชาก็บอกในขณะที่คุณเพียรเราก็เพียนด้วยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไงอวิชาหัวร้องอย่างเงีง้ยฉะนั้นในปฏิจจสมบาทโดยปฏิโลมเทศนาข้อสําคัญก็คือความดับสูญสิ้นของอวิชากันดังที่ได้กล่าวเนะี่ยทีนี้ความดับสูญสิ้นของอวิชาก็ได้แก่พระนิพพานใช่ไหมแต่ก็ยังเป็นสอุปาทีเสสนนิพพานหนึ่ง คือมีขันห้าเหลืออยู่และเสาปานิ่เสสานิพานธาตุนี้ต่อไปก็จะเป็นอนุปาที่เสสานิพานนะ น, นะคือดับวิบากแล้วก็ขันห้าโดยไม่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นนะ่ผู้ที่มีความเข้าใจในสภาพของพระนิพานโดยถูกต้องจึงมิได้มีอยู่ทั่วไปโดยมากมากจะเข้าใจว่าผู้ได้เสวยความสุขในอนุปาที่เสสานิพานนั้นยังมีตัวผู้เสวยอยู่ไอ้ตรงนี้สาคัญจริงนะ ไอความสําคัญว่าตัวอนุปาที่เสสานิพา น, นาธาตุเนี่ยนะถ้าเข้านิพพานแล้วจะต้องมีตัวผู้เสวยแปลว่าจะต้องมีขันห้าเข้าไปเสวยเสียหายเลยเงี้ยถ้าอย่างนั้นดับทําไมอ่ะจะดับว่าต่าทำไมจะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์กับการดับเลยดับไปยังไม่โพยอย่างไม่ได้ใช่ไหมคือเขาคงนีกลุ่มนี้จะเข้าใจว่าถ้ากิเลสหมดแล้วจะกลายเป็นร่างอมาตะอยู่ในภพใดภพหนึ่งนะเนี่ย นิพพานเลยกลายเป็นพบภูมิขึ้นมาใช่ไหมถ้าเข้าใจในละักษณะอย่างนี้ถูกหรือผิดเนี่ยผิดทันทีเลยเนะี่ยแล้วมันน่าจะดีดนะ้วยในการเข้าใจแบบนั้นเนะี่ยหลายๆคนคิดแบบคนมีกิเลสนะเนีเนี่ยนะเนมันผิดไงนะแท้จริงมันไม่มีไม่มีไอ้ถ้ามันมีมันไม่ใช่นิพพาน <c oughs> มันไม่ใช่นิพพานเพราะว่าไอ้ตัวตัวขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวนิพพานหรอกให้สังเกตดูที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่า เรามีความเกิดเป็นธรรมดาทำไมจะแสวงหาความเกิดอยู่แล้วเรามีความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติพลาดเป็นต้นเป็นธรรมดาทำไมต้องแสวงหาความแก่ความตายความวิบากพลาดเนื้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่นิพพานต้องตรงกันกันข้ามเนืะนี่ความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ไม่ตรงนะแต่ผู้นั้นไม่ได้มีการเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากทุกข์ทั้งปวงซึ่งความจริงนั้นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นน่ะหาได้มีตัวตนเราเขาหรือไม่ ได้แก่ความดับการเกิดขึ้นแห่งขันห้าอย่างสิ้นเชิงและไม่มีการเกิดขึ้นอีกต่อไปเหมือนดวงไฟที่ดับลงชั้นใดพระธรรมทั้งหลายที่เข้าสู่อนุปาที่เสสานิพานท่านก็ฉันนั่นเหมือนกันก็นกแปลว่าดับโดยไม่มีส่วนเหลือใช่ไหมก็เหมือนกับที่กล่าวที่เมื่อสรีละของท่านเหล่านั้นดับเนี่ยลักษณะเมื่อชาติไม่มีแล้วเพราะชาติดับชรามรณะก็ปรากฏไม่ได้เป็นต้น หรอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเบื้องหน้าแต่ท่านเส้นชีวิตเพราะความแตกไปแห่งกายฉันนั้นเหมือนกันว่าไงก็แปลว่าท่านท่านหมดแล้วแล้วไม่ให้สงสัยด้วยนะพุทธเจ้าไม่ต้องไปสงสัยโอ้ไม่ต้องไปสงสั ย, ย, สสยนี่นี่เป็นลักษณะอย่างนี้ในเรื่องของนิพพานเนี่ยเท้ามหาพรมพระ ก, กาพรมในบทไหนพระ ก, กาพรมเนี่ยสวดกันบ่อยไหมอ่ะสวดตอนไหนเวลาพระชจสาธยายบ่อยไหมเรื่องพระ ก, กาพรมเนี่ย บทพาหุงไงใช่ไหมเป็นเป็นคาถาที่เท่าไหร่คาถาที่แปดใช่ไหคาถาที่แปดว่าไงต้องสวัสดีค า, า, าถาสุดคาถาสุดท้ายสวัสดว่าไงพรมคือท้าปกาพรมเนี่ยเมื่อได้ยินสภาพความเป็นไปของนิพพานที่พระเจ้าแสดงแล้วทนนิ่งไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าตุชะกันเยวะอโหสิฤิตกันเยวะอโหสิ นิรัตถากันเยวะอโหสิว่าข้าแต่ท่านพระโคดมน ah ิพพานของท่านเป็นของเปล่าเปล่านะว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยหาประโยชน์ไม่ได้พวกนี้พอได้ย็นที่พระพุทธเจ้าแสดงพระนิพพานเนี่ยพระกะพมบอกโหนิพพานของท่านนี่เป็นของเปล่าว่างเปล่าไม่มีอะไรพวกนี้ไม่มีประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในพรุน้าไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยพวกนี้ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เรื่องนี้ผู้แสดงก็เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ฟังเป็นสามัญชนหรือเป็นถึงพรหมเนะีนี่เป็นท้าหมหาพรหมเนะี่ยนพรนะกระพมเนี่ยแต่ก็เป็นคนที่มีความเข้าใจผิดได้เห็นไหมเนะนี่ยวันวันิพพานนั้นนะ่ะยังมีขันห้าฉะนั้นพระกับพริมยังยังไปเข้าใจวันนิพพานมีขันห้าใช่ไหมขนาดเป็นท้าหมหาพรหมเนะียพรหมนี่แปลว่าระดับการระดับฌานสมาบัตนินี่ระดับสูงเลยเนะียท่านก็บอกว่า ครูอาจารย์และธรรมกรถึกบางท่านไม่เข้าใจถึงเรื่องของพระนิพพานก็จะมีความเห็นว่าผู้ที่ได้เข้าพระนิพพานแล้วจะจะไม่มีรูปนามกันห้าแต่ก็ยังมีสภาพพิเศษออกไปจากรูปนามกันห้าเป็นผู้เสวยสภาพที่พิเศษนั้นไม่มีอะไรเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อมีความเห็นดังนี้ก็พยายามชี้แจงแนะนำบรรดาศิษย์ของตอนเน่ยนะ ตลอดถึงผู้ที่สนใจพระธรรมทั้งหลายเข้าถึงเรื่องของพระนิพพานใหม่ที่ตนวาดสร้างขึ้นมาบุคคลเหล่านี้ได้ฟังแล้วเข้าใจว่าเป็นความจริงก็พากันหลงเชื่อแล้วก็ปฏิบัติผิดเกณฑ์ ต, ตามกันนี่กลุ่มนี้ก็เยอะส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่แสวงหาความรู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงก็อีกเยอะใช่ไหมอ่ะเดินออกไปก็ลองเจอหน้าใครลองถามลองอ่ะเจอใครปุ๊บมาถามคนนั้นเลยไม่ว่ า, าตรงไหนอเดินเดินไปปุ๊บเนะี่ย เดี๋ยวขอกลุยเรื่องพระนิพพานหน่อยเออนิพพานเป็นยังไงมันเป็นยังไงใช่ไห ม, ไหมเขาจะเข้าใจยังไงรู้ไหมฉะนั้นอัธยาศัยจิตใจเขาบุคคลสองจำพวกคือบุคคลที่ประกอบไปด้วยเนคข ม, มาธาตุพวกหนึง่งคําว่าเนคข ม, มาธาตุเนี่ยรู้ไหมว่าอัธยาศัยพวกนี้เป็นยังอย่างนี้เขาเรียกว่าเนคข ม, มัทธยาศัยนี่อัธยาศัยเหล่านี้น้อมออกจากกามนะเนี่ยน้อมออกจาก กรารน้อมออกจากการเบียดเบียนน้อมออกจากพยาบาทที่น่งๆอย่างนี้มีใครมีเนคเขมรธาตุบ้างไว้เนี่ยท่านเจมีบ้างหเปล่าไม่มีเล ย, เยส่วนบุคคลที่ประกอบไปด้วยโลพัทยาสใยนี่อัตยาใยที่น้อมไปในตัณหาเนี่ยเนี่ยในกลุ่มสองกลุ่มเนี่ยต่างกันชัดเจนเนี่ยพวกเนคเขมรธาตุกับพวกโลพัทยาใยเนี่ยคือมันจะไปคนลทางเลย ท้าเนคขมมาธาตุหรือว่าเนคขมัทยาัยนี่อัตยาัยก็จะน้อมออกจากการมน้อมออกจากการเบียดเบียนน้องออกจากจากพยาบาทเนี่ยนะจะน้อมอย่างน้องออกในลักษณะอย่างนี้คือน้อมออกจากกรรมาคุณเนี่ยนะถ้าหากว่ายังชอบความเพลิดเพลินสนุกสนานเฮฮาเนี่ยนะชอบเที่ยวรรมเที่ยวทะเลป่าเขาลำเนาภัยชอบดูของสวยๆงา ม, งามๆเนี่ยนะ บางทีก็โอ้โหมีการละเล่นและสนุกสนานก็อยากจะไปดูตรงนั้นตรงนี้สนทนาสนุกสนานตรงไห น, นมีการคุยกันเพลิดเพลินก็เหมือนอยากจะไปอันนี้ชี้หัวตัวเองได้เลยนะวะเนี่ยพวกไหนการ ม, มัตยาศัยม่ใช่เนคข ม, มัตยาศัยแล้วมันในบรรดากลุ่มกลุ่มกลุ่มอัธยาศัยเหล่านี้ยังมีเป็นอะไรมีพวกโลพัทธยาศัยโทสัตตะโมทยาศัยโมหัตยาศัยเนะ เนี่ยกลุ่มที่น้อมเขามันมันแรงต่างกันใช่ไหมบางกลุ่มก็เนาะโลภะแรงบางกลุ่มก็โทสะนาหน้าบางกลุ่มก็โมหะอุทธะ ก, กลุ่มหนึ่งวิจิกิจฉากลุ่มหนึ่งเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือน้อมออกจากเน เ, เข ม, มถ้าใครพวกประเภทเนคขมัธยาสัยวิเวกัตยาสัยอโลพัตอโทสัตอโมหัธยาศัยโอ้กลุ่มพวกนี้ได้ดีนะกลุ่มนี้ กลุมโพธิสัตว์นะีกลุ่มนี้กลุ่มลูกน้องโพธิสัตว์เกิ็กลุ่มกลุ่มสาวกของพระพุทธเจ้าน้อมออกกันหมดเลยเพราะคนที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือมีอัตฉริยะใสในการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะน้อมออกหมดเลยไม่ติดนานด้วยนะไม่ติดไม่อาลัยอาวร์ในเรื่องของกามะคุณนานๆด้วยเออจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ในสองบุคคลนั้นน่ะนะเขาบอกว่า ส่วนผู้ที่ประกอบไปด้วยตัณหาย่อมพอใจในความสนุกในการมาคุณ น, นะล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสยกจะยกตัวอย่างแสดงให้เห็นความแตกต่างจิตสองจำพวกผ้านาคามีพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อได้ยินผู้กล่าวว่าปา่ถาถ้ำเขาเป็นต้นนะมีที่สงบห่างจากหมู่บ้านแล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่นมีท่าน้ำบริบูรณ์ ก็รู้สึกพอใจต้องการจะไปอยู่สถานที่เช่นนั้นแล้วเมื่อไปอยู่แล้วก็ไม่อยากจะกลับมาละคนด้วยหมู่ส่วนพวกนักเลงที้เหลาเมื่อได้เย็นก็รู้สึกไม่มีความพอใจแต่อย่างใดคิดว่าสถานที่เช่นนี้จะมีความสุขได้อย่างไรใช่ไมมีแต่ความน่ากลัวน่าเบือ่อแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าที่ตรงนั้นสนุกสนานมากมีโรงมโหสพครื้นโรงสุราอาหารบริบูรณ์ นักเลงขี้เหล้าเมายาได้ยินก็รู้สึกโอ้โหอยากจะไปไปเร็วที่สุดและเมื่อได้ไปอยู่แล้วก็จะเพลิดเพลินไม่อยากจะกลับส่วนพระนาคามีพระอรหันต์เมื่อได้ยินก็รู้สึกสังเวชสะก ด, ดใจเพราะงไม่เกิดความยินดีแม้แต่น้อยที่เป็นเช่นนี้เพราะจิตสันดานของพระนาคาพระอรหันต์นั้นมีเนคขมาธาตุปกครองอยู่แปลว่าท่านท่านปกครองยิ่งเนต่าถ้ายกอย่างนี้คือยกสูงสุดเลยเนี่ย ผ้านาคาเนี่ยท่านลากรรมมาคุณละเด็ดขาดด้วยกรรมมาคุณเนี่ยถ้าได้ยินเรื่องเหล่านี้ท่านสลดสังเวชใจจริงๆแต่อย่างเราเนี่ยบางครั้งบางคราวเนะอย่าลืมนะเช่นเขาแสดงดนตรีเราเฉยๆเนี่ยใช่ไหมแล้วเดินบานๆไปเน่ยดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วก็เฉยๆก็งั้นเคยสลดใจไ้ยว่าที่เขากําลังทํากรรมกันทุกขณะจิตเนี่ยเขาควรจะไปไหนเนาะเนี่ย แล้วเราล่ะจะประมาทอย่างเขาหรือไม่อะไรเงี้ยเคยเคยคิดสลดแบบแรงๆก็บอาฟุบเข้าไปในโทร ท, ทัศน์ทีไรเห็นนะอ๊คือในลักษณะอย่างนี้นะจิตสันดานกับพระอนาคารปรหานท่านมีเนคขมมะและถ้าฟังเรื่องสนุกสนานน่ยแต่ถ้าฟังเพราะท่านฟังด้วยเนคขมธาตุแต่ถ้าเรื่องความสุขที่ไม่เกี่ยวกับตัณหาดิเป็นความสุขที่สงบเป็นเรื่องที่ ด้่ลักษณะอย่างนี้ถ้าท่านก็จะจิตก็จะน้อมออกนะแต่ถ้าหากว่าพูดในเรื่องของตัณหาแล้วท่านจะเห็นเห็นโทษโทษโทษครองวัตวัตวตะสำหรับพระนิพพานนั้นเป็นสุญญตาธาตุสงบจากรูปนามขันห้าอย่างยอดเยี่ยมนะฉะนั้นผู้ที่จะฟังเรื่องพระนิพพานต้องฟังด้วยเนยขมะธาตุจะมองเห็นความสุขถ้าฟังด้วยตัณหายอมไม่เห็นความสุข กลับจะมองเห็นไปว่าเป็นสิ่งที่หาสาระไม่ได้เหมือนกับความเห็นของพระกะพมเช่นนั้นเออจริงจริงเนี่ย้วางหลักได้ดีนะครับมาฟังเรื่องพระนิพพานนั้นเน่ยถ้าฟังแบบง่วงงว ง, ง, ง, ง, ง, งเนี่ยเหงาเงาเศร้าซึมเนี่ยอันนี้ฟังฟังแบบโมหะหรือฟังแบบฟังแบบพระกะพมพระกะพมนี่ไม่ใช่พระกะพมนี่ฟังแบบโมหะปกคลุมอยู่ไหมบอกเอ้ย นิพพานของท่านไร้ประโยชน์เลยว่างั้นมันว่างเปล่าไปหมดเนี่ยไปไปมามันไม่มีขันเนี่ยถ้าไม่มีขันเนี่ยการที่จะไปมีความสุขในการที่จะกระเวศเวยเนี่ยจบอลยว่างั้นคิดคิดไปคิดมาจริงอย่างพระกะพรมก็บางกันเนี่ยในกลุ่มของอะต่อไปนะในแห่งการเทศนะในแห่งการเทศนา ในการแสดงปฏิจจสมบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงอันนี้ในสังยุตนิการนิทานวักสังยุตนิกายนิทานวรกเนีที่จริงในสังยุตตนิกายนิทานวรกเนี่ยพุทธเจ้าแสดงไว้ไหลในยะเนีหลในยะเนี่ยในเรื่มงนี้แสดงไว้เยอะนี่ท่านมายอกมาการแสดงปฏิจสมบัติท่านแสดงมีแบ่งเป็นประเภทสี่ในในนีแสดงจากต้นไปถึงปลายในในชีตเอกสารก็มีนะ คือตั้งแต่อวิชาไปตามลําดับจนถึงชรามรณะเป็นที่สุดเรียกว่าอาทิปรโยสารนอนุโรมเทศนาคําว่าอาทิปรโยสารนอนุโรมเทศนาคือแสดงตั้งแต่ไหนอวิชาใช่ไหมอวิชาปัญญาสังขาราสังขารปัญญาวิญญาณังวินต้นนี่เขาเรียกมีอะไรเป็นที่สุดนะเนี่ยมีอะไรเริ่มต้นน่ะเริ่มจากอาวิชาไปจนถึง เป็นที่สุดเลยนะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกอาธิปริโยสานะอนุโลมเทศนาะอนุโลมนี่คือการแสดงไปตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่อวิชาเป็นต้นเนนะเริ่มต้นตั้งแต่วิชาเป็นต้นนี่นี่เป็นอย่างนี้ที่จริงการแสดงอภิธรรมตามอภิธรรมมานันนแล้วก็ตามสุตตันต์ในเนี่ย ก, ก, ก็ก็มีจุดที่แตกตา่างถ้าหากว่าตามนินยนยะของพระสูตรนะเนี่ยที่เอามากล่าวเนี่ยน สตันนาใองแสดงจากกลางไปถึงปลายคือตั้งแต่เวทนาตามลําดับจนถึงชรามรณะเป็นที่สุดอนนี้มัชชะปรโยสานะอนุโลมเทศนามัชชะนี่กลางเนะปรโยสานะจากกลางไปจนถึงที่สุดอันนี้วิ่งขึ้นแล้ววิ่งลงจากกลางแล้ววิ่งลงใช่ไหมอนุโลมเหมือนกันนะอนุโลมมัชชะปรโยสานะอนุโลม นี่แสดงไปตามลำดับแต่เริ่มต้นตรงเวทนา3แสดงจากปลายไปถึงต้นคือตั้งแต่ชรามรณะถอยกลับไปตามลำดับจนถึงอวิชชาเป็นที่สุดเรียกว่าปริโยสานะอาทิปฏิโลมเทศนาเช่นชาติปัจจญาชรามรณงชาติปัจจญาชราเมรณระภาวะปัจจญาชาติเป็นต้นจนถึงอวิชชาปัจญญาสังขารานะ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าในยะสามในยะที่สประโยสาหน้าทิปฏิโรมเทศนาจากไหนจากไหนย้อนไปไหนถอยหลังไปไหนโอ้จากจากล่างสุดเลยขึ้นบนเลยปฏิโรมเนี่ยอันที่สแสดงจากกลางไปถึงต้นคือตั้งนับถอยหลังนีนตั้งแต่ตันหาถอยตามลําดับไปจนถึงวิชาเป็นที่สุดเนี่ย เ, เรียกมัชชะ อาทิปฏิโรมเทศนาเช่นอิเมจจพิกเวจตารวอาหรากิงนิธานาะกิงสมุทยากิงชาติยากิงปะพวะแล้วก็อิเมจจตารโรอาหาราตันหา น, นินิธานาตันหาสมุทยาตันหาชาติกาตันหาปะพวะตันหาแล้วก็ตันหากิงนิทานาะกิงสมุทยากิงชาติกากิงปะพวะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายหานสี่เหล่านี้มีอะไรเป็นมูล มีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นต้นเหตุอาหารสี่เหล่านี้มีตันหาเป็นมูลมีตันหาเป็นสมุทัยมีตันหาเป็นเหตุให้เกิดมีตันหาเป็นต้นเหตุตันหามีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นต้นเหตุแก้ว่าตันหามีเวทนาเป็นมูลมีเวทนาเป็นสมุทัยมีเวทนา เป็นเหตุให้เกิดมีเวทนาะเป็นต้นเหตุ health, แล้สังขารนี้ nee Where, น ม, ม, 6, text, มีอะไรเป็น Father, มูลมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นต้นเหตุเขบสังขารนี่มีอวิชาเป็นมูลมีอวิชาเป็น ส, replies, สมุมสมทัยมีอวิชาเป็นเหตุให้เกิดมีอวิชาเป็นต้นเหตุดังนี้เรียกว่ามัชชะอาทิปติโรมเทศนาทีนี้ประโยชน์ที่ได้รับการเทศนาทั้งสี่ี้ยวกล่าวสรุปตรงนี้ก่อนนะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวจะยกมาให้ดูสักสูตร คงจะเป็นวันต่อไปฮะแต่จะยกมาให้เห็นว่าเออในรายละเอียดเนี่ยเวลา ย, ยกขึ้นไปตามลําดับแล้วเนี่ยในยากของการทําความเข้าใจแต่ละอย่างและอัตกถาว่าอย่างไงและจะยกมาหเห็นเนี่ยนะการแสดงลักษณะเนี่ยอาจจะเอาในสุดท้ายหรือในไหนมาแสดงเป็นตัวอย่างการแสดงโดยอาทิ ป, ปริยมสานนุรมเทศนาเนี่ยอาทิ ป, ปริยมสานานุรมเทศนาคือตั้งแต่ไหน ตั้งแต่วิชาไปจนถึงชารามรณนาเป็นที่สุดนี่นะเพื่อเป็นประโยชน์ในการชี้ให้กับชนทั้งหลายผู้ไม่เข้าใจในการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ก็จะหลงวิพาววิจารณ์ต่างๆ ต, ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุใ้เกิดจะได้รู้ว่าการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายย่อมอาศัยเหตุโดยเฉพาะของตนของตนอย่างหนึ่งและเพื่อให้ทราบถึงการเกิดขึ้นของเหตุเ ห, เหล่านี้ว่าเกิดขึ้นไปตามลําดับอย่างนี้ก็แปลว่าในกลุ่มกลุ่มนี้ย คนที่ไม่เชื่อเรื่องเหตุผลเนี่ยมันมี嘛พระองค์ก็จะแสดงในนี้เอาในนี้เป็นแสดงให้แกกลุ่มบุคคลประเภทนี้ฟังไปตามลําดับกลุ่มนี้คือไม่เชื่อแหละ ไ, ไปวิภาควิจารณ์อะไรเป็นเหตุเป็นต้นเนี่ยนะส่วนประเภทที่สองการแสดงในมัชชาปริโยสาณนอะนุรมเทศนาอันนี้ก็ตั้งแต่กลางนี่นะตั้งแต่กลางคือตั้งแต่เวทนา เป็นต้นไปจนถึงชรามรณะเนี่ยก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลบางพวกที่ไม่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วจะเกิดในพพอีกหรือไม่พวกนี้แก้พวกไหนแก้พวกอุเฉทิฐิถ้าประเภทแรกนะแก้อเหตุกาทิทิใช่ไหมแต่เดี๋ยวก็จะบอกเขาไวา้มีทิทิข้างหลังเมื่อถามบอกว่าเหล่านี้จะทาให้เห็นว่าเหตุห้าอย่างคือตัณหาอุปาทานกรรม และ ว, วิชาสังขารที่กําลังเกิดอยู่แก่ตนนี่ยก็เพราะมีปัจจุบันเหตุแล้วในอนาคตก็จะต้องมีแน่นอนและผลนั้นก็คือวิญญาณนามรูปสรายนผัสสาเวทนาของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองอันนี้คือชี้เหตุในปัจจุบันประเภทที่เวทนาเนี่เป็นผลในปัจจุบันด้วยใช่ไหมแล้วก็ตรงเงื่อนต่อก็คือตันหาที่เชื่อมต่อกับเหตุในปัจจุบันเนี่ยแล้วเมื่อตันหา อุปาทานกรรมเกิดแล้วเนอวิชชาสังขารเกิดไหมก็ดึงอวิชชาและสังขารมาประมวลมากล่าวด้วยเดี๋ยวท่านจะกล่าวเรื่องส่วนที่เรื่องสังเขตเนี่ท่านจะชี้ตรงนี้ให้เข้าใจว่าเออเป็นอย่างนี้อในทรรนองอย่างงั้นนะเนี่นี่เป็นอย่างนี้ส่วนในยะสามเนี่ยนะคือการแสดงโดยปริโยสานะอาอธิปฏิปัิโรมเทศนาก็ เ, าเพื่อประโยชน์แก่บุคคลทั้งหลายได้แลเห็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งความ ความทุกข์ตามลําดับตั้งแต่ชาติเป็นต้นจนถึงอวิชชานะีคือให้รู้ว่าความทุกข์มีชะรามรณาโศกกปริเทวทุกขโทมนาสาวปลายาตเี่ที่สัตว์ทั้งหลายกําลังได้รับอยู่ทุกวันนี้ปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยชาติเป็นเหตุถ้าไม่มีชาติแล้วทุกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้และเมื่อแลเห็นชาติแล้วก็ให้เห็นเหตุที่ทําให้ชาติเกิดก็คือกรรมมาภาวะและเมื่อแลเห็นกรรมมาภาวะก็จะเห็นเหตุของกรรมมาภาวะคือวาทานใช่ไหม เมื่อรลยเห็นเหตุของการและการไปตามลำดับจนถึงอวิชชาเมื่อเห็นอวิชชาแล้วก็จะได้รู้ว่าอาวิชชานี่แหละเป็นหัวหน้าหรือเป็นเหตุของวัตทุกทั้งปวงหมันถ้าในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะไปกล่าวไว้อีกจุดหนึ่งประการต่อมาในย่าสี่การแสดงมัชฌาปฏิโรมเทศนาอาริปฏิโรมเทศน า, า, ศนาก็เพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่ รู้ถึงเหตุผลตามลําดับที่เป็นสมุทรฐานของอาหารทั้ง4อันเป็นผู้นําของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตถพบจนถึงปัจจุบนันนพราะร่างกายของสัตว์ทั้งหลายจะตั้งอยู่ได้เจริญเติบโตได้ก็ต้องอาศัยอาหารอาหารตัวนี้แปลว่าปัจจัยนะปัจจัยนะที่ว่านํามาเนี่ยเครื่องนํามาทั้งหลายคือปัจจัยทั้งหลายกาลิลิงกราหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาอาหารและวิญญาณอาหารใช่ไหมสัตว์บางพบก็ไม่ได้อยู่ได้โดยกาวิลิงกราหาร แตมีบางไม้สัตว์ที่จะไม่อยู่ได้ด้วยกรรมอไอมนโนสันเจตานาอาหารมีไหมมีมโนสญเจตนาอาหารนะเป็นตัวทําให้เกิดทั้งนั้นเลยนะนํานําพมาให้วิญญาณอาหารด้วยใช่ไหมแล้วก็อะไรกัภาษาอาหารสัตว์ทั้งหลายที่มีความรู้สึกสุขทุกข์ไรเฉยเฉยก็อาศัยภาษะก็ระว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจยกับอารมณหก สัตว์ทั้งหลายที่กระทํางานงานต่างๆดีและไม่ดีก็อาศัยเจตนาเป็นผู้กระตุน้นตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจเพศหญิงและชายและการกระทบอารมณ์เสวยอารมณ์และการจําอารมณ์เป็นต้นเกิดขึ้นก็โดยอาศัยปฏิสนธิวิญญาณเป็นผู้นํานี่มีปฏิสนธิวิญญาณจะเป็นผู้นําสําหรับในประวัติการความโลคความโกรธความหลงความถือตัวและความหินผิดความอิจฉาและเสยียเป็นต้นนี่ในะความเลื่อมสายความ รู้สงสารและความลึกได้เป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นโดยอาศัยปวัตติวิญญาณเป็นผู้นํารู้จักปวัตติวิย ญ, ญาณไหมปวัติวิญญาณคือโลกียวิบากวิบากเท่าไหร่สามสบสองโลกี้ยวิบากสาสบสองที่เกิดในปวัติการเนี่ยเขาเรียกปวติวิย ญ, ญาณใช่ไหมฉะนั้นปวัตติวิญญาณเหล่านี้เป็นผู้นําของอะไรเป็นผู้นําของอะไรนำเจตสิกและกรรมช่วรูปเนี่ยเป็นผู้นํา จำไม่ช่โลปจะเกิดได้ก็เกิดเพราะเกิดโดยโดยมีบุคคลที่มีปวัติวิญญาณอาหารทั้งสเป็นผู้นำสัตว์ทั้งหลายให้เกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ทำการงานต่างๆจนตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเวทนาเวทนาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยภาษาภาษาจะเกิดขึ้นได้ก็อายตนะอายตนะอาศัยนามรูปนามรูปอาศัยวิญญาณวิญญาณอาศัยสังขารสังขารอาศัยอวิชชา มองให้เห็นเหตุผลนี้เป็นไปตามลําดับโดยกําหนดอาหารสี่เป็นหลักนี่เป็นอย่างงี้นะตรงนี้ท่านสรุปหน่อยในปฏิจจสมุปบาทธรรมเนี่ยเป็นสมัญตพัทธกะธรรมสมัญตพัทธกะธรรมก็คืออะไรธรรมที่มีความดีอย่างสมบูรณ์เพราะไม่ว่าจะแสดงในใดก็ตามผู้ฟังฟังแล้วเนี่ ย, ยก็สําเร็จประโยชน์คือได้กําหนดรู้ทุกขสัจจะ แล้วประหารสมุทยัยยศจ่าเห็นแจ้งนิโรธเจริญมาริย์และก็ทำพระนิพพานให้แจ้งได้นะอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นเทศนาวิราชปัตตะบุคคลคือเมื่อบุคคลนะผู้มีความสามารถปรปับปรุงการแสดงนั้นให้สวยงามเหมาะสมได้นะให้เข้าใจคำว่าเทศนาวิราชปัตตาบุคคลถ้าเข้าใจปฏิจจสมุป บ, บาทแล้วเนี่ยจะแสดงธรรมนั้นลีลา หรือลีลาดในที่นั้นนะ่นะก็เป็นแสดงไปตามอัธยาศัยของบุคคลได้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงตามอัธยาศัยฉะนั้นในปฏิสุบบาทนั้นนะ่ะจึงแสดงไอ้4น่ในยะนี่แสดงใหญ่ๆเท่านั้นนะและยังมีในยะสอดคล้องคล้ายๆนี่อีกเยอะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าแสดงลักษณะว่าสายตาและรูปเกิดจากคุญญาณการประชุมเ่งทำสามาการเป็นภาษามกาหนด อายตนะคือตาอายตนะคือสีอายตนะคือใจเนี่ยนะประชุมกันเป็นผัสสะเลยกําหนดอายตนะเป็นปัจจัยก็ผัสสะไปเลยเอาอายตนะเลยผัสสะเป็นปจัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาเป็นอะไรเป็นเทสนาวิราชปัตาบุคคลจริงๆว่าแล้วแต่บุคคล น, นั้นจะบรรลุได้ด้วยอาการอย่างไรพระพุทธเจ้าก็จับหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแสดงไปตามอัธยาศัยของสัตว์นั้น ผลที่สุดจริงๆก็คือว่าให้สัตว์นั้นกําหนดรู้ทุกแลาสมูไทยทํานิโรธให้แจ้งแล้วก็อริมักเจรนาลีมกักนี่คือคือพระพุทธเจ้าในท่านแสดงปฏิจจสมบาทเนี่ยแสดงไปตามอัธยาศัยของบุคคลแต่พวกเราดีนะได้เรียนปฏิจจสมบาทตามเนย่าพิศาดาเนี่ยนะค่อยๆท่องกันไปก็ว่ายกยุกทําบุญบุญเนี่ยค่อยๆทําก็ว่าแต่ทําบาปทําเอ้าทาเอาไม่มีค่อยๆ เอ๊เป็นอย่างไงไหมเวลาทําบาปนี่ไม่ค่อยๆทำเนาะมีบ้างไหมบอกว่าค่อยๆทําเนี่ยเวลาจะทําก็อุ้ยไม่กะกาจะไปเสพแรงๆแล้วไม่กะอาจะไปทําให้มันเลวร้ายแรงๆอะค่อยๆอุ้ยจะทําก็มีการเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปทําเนี่ยมีไหมเหมือนบุญเนาะเหมือนจะทําบุญเนาะไหมเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปทำใช่ไหมแล้วเดี๋ยวได้ใช่ไหมจะทําบาปเคยเดี๋ยวกันไหม ไม่เดี๋ยวเลยนะเนี่ยเาอยัางจะโกรธเนี่ยถ้ามีใครมาว่าเนี่ยมีใครแสดงแบบประหลาดประหลาดได้ดูแล้วเราบอกเดี๋ยวค่อยโกรธมีไหมมันโกรธเลยนะเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเรื่องบาปนี่เราไม่ค่อยๆทําเนี่ยทันทีแล้วแต่นี้เอาใหม่ได้ไหมบุญนะขอให้เป็นทันทีคือถ้าอารมณ์ใดๆมาปรากฏแล้วเนะี่ยถ้าน้อมบุญได้ทันทีเอาเต็มที่เลยบุญนะเนะี่ยแต่ถ้าบาปนะให้เดี๋ยวไว้ก่อน มีทำไมไม่มีโทสะนี้เป็นเหตุอะไรเป็นเหตุอะไรโทสะจิตมีเหตุอะไรประกอบมีโทสะเหตุและโมหะเหตุทำไมไม่มีเหตุแล้วก็มีเหตุใช่ไหมอารมณ์น่ปัจจัยก็มีเหตุคืออารมณ์น่ปัจจัยก็เยอะอย่าไปบอกว่าโกรธไม่มีเหตุนะอันนี้เหตุแบบธรรมดานะสองเหตุยังมีเหตุถามมาแล้วสองเหตุใน สเหตุในโทสาวมูลจิตนี่เป็นกลุ่มสาชาติชาตินี่เหตุเล็กนะไอ้กลุ่มเหตุนี่นะกลุ่มเหตุตัวปัจจัยได้แล้วใช่ไหมถ้าเหตุตัวปัจจัยได้เดี๋ยวสหชาติชาติชาตนิสยชาชาติสาชาติวิคตะอัญญาบัญญาสมยุญต่ามาแล้วตอนนี้ใช่ไหมอันนี้ขนาดเหตุที่กลุ่มกลุ่มที่สหชาตชาติยังมาตั้งเจ็แล้วยังอนันตรชาติอะหรยังอารมณชาติยังปกตัวปนิสยชาติี่ แปลกไหมว่าทำไมมันถึงเป็นกรารรุนแรงของในแห่งเทศนานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทเป็นสี่ในที่ปรากฏในคำภีสังยุตตนิกายก็คือว่าประการแรกอาทิปริโยสานอนุรมเทศนาเป็นการแสดงองค์ของปฏิจจสมุปบาทคือตั้งแต่ไหนจนถึงที่สุดคือตั้งแต่อวิชา ไปตามลําดับจนถึงชรามรณะเป็นที่สุดเนี่นะแสดงอวิชชาปัจยาสังขาราสังขารปัจญาวิญญาณังเป็นต้นเนี่นะนี่เขาเรียกอาทิปริโยสานอนุโร ม, มเทศนา 2. มัชชะปริโยสานอนุโร ม, มเทศนาเป็นการแสดงองค์ของปฏิจจุบาติจากตอนกลางไปถึงที่สุดคือตั้งแต่เวทนาไปตามลําดับจนถึงชราและมรณะ นี่นะนั่นคือประการที่2คือในการแสดงประการที่2ประการที่3ปริโยสานะอาทิปฏิโรมเทศนานี่เป็นการแสดงองค์ของปฏิสตุมบาจากตอนปลายสุดย้อนทวนไปถึงต้นอันนี้หมายถึงตั้งแต่ชรามรรณาย้อนทวนตามลำดับไปจนถึงอวิชชาเป็นที่สุดประการที่4มัชชะอาทิปฏิโรมเทศนา มัช้าอาทิปฏิรมเทศนาเนี่ยเป็นการแสดงองค์ของปฏิสุบบาทจากตอนกลางนะีย้อนทวนไปถึงตอนตอน้นคือตั้งแต่ตันหาย้อนทวนไปตามลําดับจนถึงอวิชชาเป็นที่สุดนี่เป็นอย่างงี้นะทีนี้เหตุที่ ท, ทรงแสดงสี่อย่างใช่ไหมเดี๋ยวดูเหตุผลตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูประการที่สทรงแสดงอาทิปริโยสานะ เทศนานะเพื่อชี้แจงถึงการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายให้รู้บอกว่าอการเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยย่อมมาสายเหตุโดยเฉพาะเฉพาะของตนอย่างอย่างหนึ่งและเพื่อให้ทราบถึงการเกิดขึ้นของเหตุต่างๆเหล่านั้นว่าจะต้องเกิดและเป็นไปตามลําดับเห็นไหมว่าเออจะต้องเป็นการแสดงเหตุเฉพาะเฉพาะของตนและให้ทราบถึงเหตุเฉพาะที่พพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้นะให้ทราบเหตุเฉพาะ อีกอย่างหนึ่งจะได้ไม่หลงผิดว่ามีเทพเจ้าบรรดาลและก็บรรดาลให้เป็นไปตามบัญชาของเทพเจ้านั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจว่าความเป็นไปของสังขารนี่มีใครบันดาลอยู่ไหมเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่าจะมีคนบรรดาลอยู่หรือเทพเจ้าบรรดาลใช่ไหมแท้ที่จริงเหตุผลแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะมีเหตุผลรองรับอยู่ไหม ประเภทนี้จะละทิฐิแบบเชื่อพระเจ้าเสียได้เชื่อผู้สร้างเสียได้ไอการเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการมีผู้สร้างเนี่ยเพราะไม่ได้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทให้ถูกต้องในสายอาทิปริโยสานอะนุโรมเทศนะทีนี้ก็จะเชื่อใช่ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยมีผู้สร้างเพราะไม่ได้เรียนลำดับเหตุโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นว่า เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างนั้นประการที่สองแสดงมัชฌาเปรยมปรยโยสานะอนุรมะเทศนาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลบางพวกที่ไม่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายตายลงแล้วเนี่ยนะจะเกิดในภพหน้าอีกเมื่อสร้างปัจจุบันในเหตุไว้นะผลในอนาคตก็จะต้องมีแน่นอนเพื่อจะได้ทราบถึงปัจจุบันในเหตุหอย่างทราบอะไร ตัณหาอุปาทานกรรมภวะอวิชชาในสังขารเห็นไหมพระพุทธเจ้าจึงชี้มัชชาปริโยสานาะธิปฏิโรมเทศนาสแสดงยังไงตอนกลางเนี่ยแสดงสแสดงเวทนาไปจนถึงชารามรณะแล้วก็บอกไอชารลามรณะโสกาปริเทวาทุกขโทมรัะชาเ อ, อขออภยัยเวทนาเนี่ยนะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหา เหนไะต้นหาเนี่ยมันเหตุในปัจจุบันป้องกันบุคคลที่จะกล่าวว่าในอนาคตไม่มีผลไอ้คนที่มีทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิแบบเนี้ยมันเยอะประเภทที่ชาติหน้าแบบนี้เนี่ยตายแล้วไม่เกิดเนี่ยแต่ถ้าบอกว่าไอ้เหตุปัจจุบันมันมีไหมเนี่ยหนึ่งเวทนามีสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาที่เป็นไปกับทางทวารตาหูจมูกลิ้นกาย และใจใช่ไหมเมื่อเวทนาเหล่านี้มีตัณหาตัณหาคือการทำกรรมใหม่มีไหมตัณหาที่เกิดขึ้นเป็นยางเหนียวอุปาทานเกิดใช่เมื่ออุปาทานเกิดกรรมก็เกิดการทำกรรมก็มีขึ้นไอการทากรรมนี่สังขารและวิชามาบวกด้วยเมื่อมีปัจจุบันเหตุ5้าอย่างนี้อนาคตจะผลไอ้ชี้ให้เห็นว่าถ้าไม่มีถ้าไม่สอนปัจจุบันเหตุ ว่าเมื่อมีเหตุในการมีตันหาเพราะตันหาเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นตัวยางเหนียวทําให้สัตว์นั้นมีความอร ե ศอร่อยในการทํากรรมมองเห็นตรงนี้จะมาว่าเออแนวนาคตผลมีจริงๆริถ้าใครปฏิเสธว่าชาติหน้ามีหรือไม่มีก็ไม่รู้ถามว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีเวทนามีตันหาอยู่ไหมทำมีไม่ต้องกลัวหรอกยางเหนียวมันยังมีอยู่อุปาทานมีไว้แล้ว แล้วกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปทางทวารสามเน่ยมีไหมเอ่ยแบบนี้อยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพบหน้าจะไม่มีถ้าไม่อยากให้พบหน้ามีคุณตัดเหตุปัจจุบันนี้เสี้ยวไงตัดให้ได้จริงๆนะใช่ไหมนี้ถ้าคุณตัดเหตุในปัจจุบันไม่ได้นะดเนี่ยคุณปฏิเสธผลในอนาคตไม่ได้ไมาลักษณะนี้ก็คือว่ากลุ่มที่ว่า ประการที่สองนี่ก็คือว่าผลในอนาคตเนี่ยมีแน่นอนในวิญญาณนามรูปตารายตนะผัสสะเวทนาที่เรียกว่ารูปนามขันห้าของสัตว์ทั้งหลายนั่นเองที่จะเกิดในอนาคตใช่ไหมประการที่สปริโยสาระอาทิปฏิรมเทศนาเพื่อให้บุคคลทั้งหลายได้เห็นธรรมที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ตามลําดับให้เห็นอะไรตั้งแต่ชาติจนถึงอวิชชาเ น, เนี่ยให้รู้ว่าความทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายได้รับ อยู่ทุกวันนี้มีอะไรชรามราณาโศกาปริเทวทุกขโทมนาสาอุปายาตเหล่านี้เนี่ยปรากฏขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นเหตุชรามราณาโศกาปริเทวทุกขโทมนาสาวุปายาตที่เกิดขึ้นในปัจจุบั น, นพบมีอะไรเป็นเหตุมีชาติเป็นเหตุชาตินมีอะไรเป็นเหตุมี ม, ม, มีมีพบใช่ไหมกรรมวพบกรรมวพบมี อุปาทานเป็นเหตุอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุตัณหามีเวทนาเป็นเหตุเวทนามีผัสสะผัสสะก็มีอายตนะอายตนะก็มีนามรูปนามรูปก็มีวิญญาณวิญญาณก็มีสังขารสังขารก็มีอวิชชาลักษณะอย่างนี้เพื่ออะไรถ้าไม่มีชาติคือการเกิดแล้วทุกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อแลเห็นชาติแล้วก็จะทาให้เห็นว่าเหตุที่ทาให้ชาติเกิดก็คือกรรมภาวะ และกรรมและและเห็นกรรมมาพอวะย้อนไปตามลําดับไปถึงอุปาทานอุปาทานไปเห็นการสืบต่อไปตามลำดับไปจนถึงชาตินี้เป็นหัวหน้าแห่งเหตุทั้งปวงอันนี้เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อให้บุคคลทั้งหลายได้เห็นธรรมที่เป็นเหตุของความทุกข์ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์นั้นเพราะอาศัยเหตุต่างๆมีชาติเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ จนถึงเอาวิชาเป็นที่สุดเนี่ยดังที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ฉะนั้นว่าเหตุของความทุกข์มีประมาณไม่ใช่น้อยนี่เป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นคนจะไปถ้าอย่างนั้นก็บ่นใช่ไ้ยเคยนั่งบ่นเม่สมัยยังไม่เรียนปฏิจจาใช่มโอ้ชีวิตเราทาไมจึงทุกข์จริงเนอะต่อไปถ้าบอกทำไมจึงทุกข์ <c oughs> ต้องบอกพ่ อ, อะหละพราะมีชาติทำไมจึงมีชาติสาวไปเรื่อย จนถึงอวิชชามีอาสวะเป็นต้นนแล้วก็รบอกกระบวนการของความทุกขก์สมแล้วที่มันทุกข์ถึงฝานนี้และถ้าจะดับทุกข์ระดับยังไงต้องรู้จักอะไรต้องรู้จักชาติต้องรู้จกัจ ก, ชจกชาติรรู้จักชาติรู้จักเหตุเกิดของชาติรู้จักความดับของชาติรู้จักข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของชาติรู้จักชรามรณะ รู้จากเหตุเกิดของชาลาลมราณะรู้จากความดับของชาลาลมราณะรู้จากปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับแห่งชรลาลมราณะเป็นต้นเน่นะถ้ารู้อย่างนี้นะโอ้ยยิ้มเด้แต่ต้องรู้จริงๆนะบางทีท่องยังไม่ได้ใส่ใจยังไม่ถูกแล้วโอ้แต่บอกอยากจะพ้นทุกข์ใช่ไหมแต่นี้มันจะตอบตัวเองได้ไง จะตอบตนเองได้ใช่ไหมทุกมาจากไหนเนนพิดายศใครด่าก็ไม่รู้ทุกกว่ากันใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกทุกอะไรปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนะั้นทุกเพราะมีขันไงถ้าเนนพิดายศจะไม่มีขันห้าที่เรียกว่าเ น, นปิดายศเขาจะด่าตรงไหนใช่ไหมหรือเขาจะกราบไหว้เขาจะชมตรงไหนแล้ว เ, เพราะไอขันนี่แหละจึงเป็นเหตุแห่งการถูกด่าถูกชม ถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายจริงไหมถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยทําไมนาะคนบางคนยกย่องเราเหลือเกินก็เพราะมีขันใช่ไหมอะทาไม้คนบางคนอะอยากจะตตมิตรตีชิ้นเราเหลือเกินก็เพราะมีขันถ้าไม่ถ้าอยากจะพ้นจากการตีชิ้นนินทาพ้นจากการถูกชมก็อย่าไปมีขันห้าหแล้วแล้วเขาปฏิบัติกันยังไงอะที่จะไม่มีกันห้าใช่ไหม เขาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อปล่อยวางในขันห้ากนันนะั่งนะแต่เรามันทวนกระแสรพระพุทธเจ้าคำสอนใช่ไหมอย่าแปลกใจนะถ้าเรมีคนชมบ้างคนตำหนิบ้างเนี่้ยเป็นเรื่องปกติมากปกติไม่ยอมโมปกติแต่ทำไมใจยอมหมไม่ปกติเวลาสมัยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะขันห้าบังคับบอได้ก็ก็นะ แต่หน้าตาถ้ากโกรธขึ้นมานะ่ะหน้าตาลงนรกไห ม, ไมลงเหยนไหมมันเป็นอย่างนี้ยุติธรรมอย่างนี้นไปอนัตตาอยู่ในนรกไเลยไอ้คาว่าปุถุชนเนะี่ยอย่าไปอ้างบ่อยนะไอเรามันปุถุชนแล้วก็เอาเพื่อจะให้ตนเองกโกรธได้เนะี่ยหรือว่าหรือว่าหรือทําบาปได้เนะี่ยแล้วก็ไอเรามันปุถุชนเนะี่ยแต่ปุถุชนเนะี่ยบาปเนะี่ยคุณตกนรก ใช่ถ้าปุถุชนที่บอกว่าบาปบาปไอทนะนะ้ทาบาปเนี่ยตกในรกมอ่ะเนี่ยจะพุถุชนขนาดไหนก็ตกในร่อ้างแค่ไหนไม่มีใครจะเชื่อเรื่องใครจะใจดีเนะี่ยยมาบาลยิ้มเลยนี่ปุถุชนเข้าข้างเราเองตั้ง่อีกแล้วเนะีย่ยจะโกดแต่ละทียังมีวลาโกดอีกเออดรามันพุถุชนเคยไหมเคยพูดไหมเคยใช่ไหมเนี่ยในในคำคำนี่นนย <S 2> <S 2> วัตถุประสงค์เพือพ่อที่จะนั่นนีน่เนี่ยในในคำนี้ อ้างกันไม่รู้จะคำไหนเถียงวะต่อไปเอาใหม่โทษที่มีขันธ์ห้าในลำบากจริงๆเพราะงั้นนะถ้าอย่างนั้น ม, มีใครด่าเราถูกเราก็นะ <c oughs> ไดนี่เป็นอย่างนี้นี่อารรยาที่สี่แสดงมัชชะอาทิปฏิโรมเทศนาก็เพื่อประโยชน์ให้รู้ถึงเหตุผลตามลำดับที่เป็นสมูรฐานของอาหารทั้งสี่อันเป็นผู้นาของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตพบ จนถึงปัจจุบันพบคือร่างกายของสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้เจริญเติบโตได้ก็ต้องอาศัยการลิงการอาหารใช่ไหมเออดูในยะที่สี่ก่อนในอาหารสูตรในมัชฌิมนิกายนยพระพุทธเจ้าแสดงว่าสมัยหนึ่งนะแท้จริงพระน น, นข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนีเน้เดี๋ยวเอาสูตรนี้มากล่าวให้ฟัง และจะเข้าใจอาหารสี่ชัดเจนเลยนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าบัพตนาเชตวันนารามของอนาถาปิณิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าอาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อดำรงอยู่เพื่ออนุเคราะห์แก่หมูสัตว์ผู้เกิดแล้วคือขีณาศพและแก่หมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิด คือพระเศคารและปุตุชนอยู่ไหมถ้าบอกษัตว์ผู้เกิดมาแล้วนี่ในในในสับนี้แปลว่าอะไรพายาารหันแต่ถ้าบอกว่าแกมูสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดพระเศขาบุคคลยังสแสวงหาอยู่ไหมอุ้ยเศขาบุคคลยังแสวงหาพบไหมล่ะแสวงหาพบแสวงหาอาหารอยู่ไหมยังต้องอาศัยอาหารอยู่ไหปุตุชนไม่ต้องพูดถึงอย่างเราเราที่นั่งกันเนี้ย นี่เขาเรียกว่าเป็นพวกที่ชื่อว่าหมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่แก่สัตว์สองจำพวกเนี้ยแก่ประเภทที่แม้แต่พระละหันผู้เกิดมาแล้วพ้นแล้วเนี่ยนะหรือว่าเสกขาบุคคลและบูรุชนผู้ที่แสวงหาที่เกิดอดูในชีตประกอบด้วยนะยมสรีว่าอยู่ยหน้าเนะี่ยอาหารสี่เป็นชนไหนคือหนึ่งกาวลิงกราอาหารหยาบและละเอียดหนึ่ง สผัสสะอาหารสามโนสัญเจตนาอาหารสี่วิญญาณอาหารอาหารสี่อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อดำรงอยู่แก่สัตว์ผู้เกิดแล้วและเพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดเมื่อกี้บอกว่าสัตว์ผู้เกิดแล้วนี่คือใครนะฮะออสัตว์ผู้เกิดแล้วนี่หมายถึงใครพระละหันพระละหันหมายถึงสัตว์ที่เกิดแล้วแล้วสัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดล่ะปุตตชนและเศษขับบุคคลใช่ไหม แล้วก็ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่เหล่านี้ had, ม, นนะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นอะไรนะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่มีอะไรตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดจำนวนอาจจะต่างกันหน่อยนะอาหารสี่เหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็น ที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตันหามีอะไรมีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นที่ตั้งขึ้นมีเเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดแล้วเวทนาละมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดบอกเวทนามีผัสสะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นที่ตั้งขึ้นมีผัสสะเป็นกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิด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 และนามรูปล่ะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดมีวิญญาณมีวิญญาณเป็นที่เป็นเหตุมีวิญญาณเป็นที่ตั้งขึ้นมีวิญญาณเป็นกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดแล้ววิญญาณมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณก็มีสังขารมีสังขารเป็นที่ตั้งขึ้นมีสังขารเป็นกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิด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 เวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เทนี้ก็เพราะอาวิชานั่นแหละดับด้วยการสํารอกอะไรด้วยอวิชานั้นถูกสํารอกโดยอริยมรดย์ด้วยไม่มีเหลือ ใช่หมสํารับโดยวิชาคืออริยมรรคเนะี่ยโดยไม่มีเหลือเมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณก็ดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับเป็นต้นไปตามลาดับเป็นถึงก็ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลมีได้ด้วยประการอย่างนี้นี่คืออาหารและสูตรก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าแสดงอาหารสี่ใช่ไหมพอแสดงอาหารสี่แล้วก็แสดงอะไรอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นที่ตั้งขึ้นอะไรเป็นที่เป็นกาเนิดอะไรเป็นกฏของตันหาพุทธเจ้าบอกอาหารสี่เห็นไหมชี้ว่าตัวผัดไอ้เกาลิงกะลาหารผัดสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารอาหารสี่อย่างนี้มีตันหามีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นเป็นอะไรเป็นเหตุตั้งขึ้นมีตันหาเป็น แดนเกิดมีตัญหาเป็นกําเนิดเนี่ยนะอันโอ้ใช้ใช้ใช้คำนั้นก็ไดนะ้ปัญหาอยู่ตรงที่บอกว่าในอาหารละวคกเนี่ยนะเออเดี๋ยวดูความหมายตรงนี้นะอาหารสี่ชนิดเนี่ยท่านอธิบายในเรื่องของคําว่าสัมภเวสีก่อนคําว่าสัมภเวสีในที่นั้นน่ยนะหมายถึงอะไรสัมภเวสีได้แก่ผู้สแสวงหาค้นหาพบที่บังเกิดขึ้นนะ อันทะชากําเนิดชราผูชช้ากาเนิดแล้วก็ในบรรดากระปาะไข่และฟองไข่ไม่ได้อยู่ตราบใดชื่อว่าสัมโบเวสีผู้แสวงหาพบที่เกิดอยู่ตราบนั้นก็แปลว่าถ้ายังเจาะยังทําลายไม่ได้นะใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่าทําลายกระปาะไข่ฟองไข่อยู่ไม่ได้อยู่ตราบใดก็หมายถึงอวิชานะกระป๋อไข่ฟองไข่ถ้าใครยังทําลายอาวิชา สำรอกอวิชาไม่ได้จัดว่าเป็นสมเวสีโดยโดยฐานะนี้แสวงหาพบทีนี้ถ้าพูดว่าพูดเหล่าใดคือผู้ที่ถึงการนับการเกิดอีกคํานั้นเป็นชื่อของพระขีณาสบชื่อว่าสมภเวสีเพราะถามว่าพระขีณาสบเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดเกิดแล้วหมายถึงพ้นแล้วพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว สมามภเวสีเพระแสวงหาพบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นชื่อของพระเสขะและเป็นชื่อของปุถุชนผู้แสวงหาพบต่อไปเพราะยังละสั่งยชศไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าท่านพูดถึงอาหารเริ่มตั้งแต่อาหารของจระเข้จระเข้ทากินก้อนหินวะเนี่ยในในสูตรเนี่ยนะเวลาก้อนหินเนี่ยเข้าไปในท้องของจระเข้เนี่ยก้อนหินนั้นก็ละเอียดละเอียดมาแล้วก็มาเทียบกันว่าระหว่างจระเข้ กับพวกพวกสัตว์อื่นๆเป็นต้นเนี่ยนะถามบอกว่าจระเข้กับนกนกยูงไอ้จระเข้กับนกยูงเป็นต้นนะี่ยนกยูงกินงูกินตะขาบเป็นต้นเนี่ยนะใครอาหารยากกว่ากันจระเข้ยาวกว่าท่านก็ชี้เงี้ยนะทีนี้ระหว่างงูกับหมาในก็ว่าไงหมาในเนี่ยมันจะแท้กระดูกกระดูกที่มันทิ้งไว้นานๆแล้วเลอระหว่างใครใครละใครละเอียดกว่ากันเขาบอกหมาในละเอียดกว่านก ที่ให้ในบดาหมาในนั now, s <S ่นน huh uh. ่ะนะเพราะหมาในกกินน้ำลายของมันเองใช่ไหมแล้วกาช้างอะอาหารของช้างก็ช้างละเอียดกว่าใช่ไหมแล้วระหว่างช้างกางกินใบใบไม้เนี่ยกินไม้เนี่ยก็อาหารของโครานไอ้โครานละเอียดกว่านั้นอีกนะเคยเคยเห็นโครานไหมโครานกวางและเนื้อเป็นต้นละเอียดกว่าอาหารของช้างโครานกวางและเนื้อเป็นต้นกินใบไม้ต่างๆ เป็นไม้ที่ไม่มีแก่นที่อาหารของโครานเนี่ยนะเออของโคนั้นละเอียดละเอียดกว่าอาหารของโครานกวางเลยเนื้อเป็นต้นก็ละเอียดกันมาตามลำดับจนถึงอาหารของกระต่ายก็ละเอียดของพวกกว่าโคไปตามลําดับนี้นะจนถึงอาหารของชาวป่าชาวเขาอาหารของคนในเมืองอาหารของอามตะอาหารของพระราชาอาหารของพระเจ้าจักรพรรดิอาหารของพวกภุเทวดาชั้นต่ํา อาหารของพวกผมมัทธาเทวดาจาตัวมหาลาชกาตาวติงสาต ย, ยามาดุสิตนิมมานราริปรารณิมมิสวัสดีเนี่ยอาหารของเขาละเอียดพิสดานมากนี่คือพูดในเรื่องของอาหารทั้งนั้นว่าไ น, นี่พูดถึงในเรื่องของการวิงกาลาหารทีนี้ถ้าพูดบอกว่าวัตถุหยาบโอชาที่น้อยมีกำลังอ่อนเมื่อวัตถุละเอียดโอชาดีก็มีกาลังดีก็ว่า้นเขาถามอย่างนี้ คนที่กินอาหารละเอียดอย่างเทวดาเนี่ยที่พูดตรงนี้อย่าลืมนั่นเกี่ยวข้องกับตันหานไหมเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวถามบอกว่าสัตว์เหล่านั้นที่มีโอชากินเนี่ยนะที่มีกาวลิงกาาอาหารอยู่ตามพบต่างๆนั้นนะ่ะมีอะไรเป็นเป็นเหตุเตมุลีมีอะไรเป็นเหตุตันหาไงเพราะป่าตันานใช่ไหมไอ้ตันหานเนี่ยเป็นตัวเชื่อมทําให้ได้อาหารประเภทนี้นะ ถ้าไม่ได้อาหารประเภทนี้ถ้าโลผ้าหยาบๆไปได้อาหารหยาบไหมได้อาหารหยาบถ้าละเอียดก็จะนั้นแหละก็จะน้อมไปหาอาหารละเอียดฉะนั้นถึงบอ ก, บอกว่าว่าผู้ที่ดื่มข้าวยาครูแม้เต็มบาทครู่เดียวก็หิวใช่ไหมอยากกินอะไรอยู่นั่นแหละส่วนผู้ที่กินเนยใสยเพียงฝายมือเดียวก็อยากจะกินตลอดวันก็ไม่อยากกินตลอดวันอยู่ได้ทั้งวัน วัตถุในบรรดาข้าวยาโูและเนยใสย่อยยมบรรเทาอันตรายกล่าวคือไฟอันเกิดแต่กรรมได้แต่ไม่สามารถจะหล่อเลี้ยงได้แม้ข้าวโอชาจะหล่อเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถจะบรรเทาอันตรายได้แต่ข้าวยาโคและเนยใสทั้งสองอย่างรวมกันเข้าแล้วเนี่ยย่อมบรรเทาอันตรายและหล่อเลี้ยงได้นี่เป็นในลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าอาหารเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างนี้ถ้าอาหารละเอียดยิบเนี่ย ถ้าอย่างเราเนี่ยกินอาหารละเอียดอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไม่ได้อะพ่ออะไรอ่ะยมงจุลีอยู่ได้ไหมเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกบอกว่าไฟที่เกิดจากกรรมเนี่ยสามารถที่จะสงบระงับได้เตโชท่าที่เกิดจากกรรมมันเผาใช่ไหมมันจะเผาไอเนี้ยช่วยได้ไอตัวเกาลีกาอาหารที่เป็นอาหารละเอียดยิบเนี่ยได้ บรรเทาความหิวได้แต่บรรเทาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถจะหล่อเลี้ยงได้แม้โอชาหล่อเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถจะบรรเทาอันตรายได้มองเห็นไหมสองประการเนี่ยคือ ถ, ถ้าถามบอกว่าเกี่ยวกันในลักษณะที่ท่านบอกว่าไอ้ข้าวยาคูเนี่ยรู้จักข้าวยาคูไหมไอ้ที่ละเอียดยิบเนี่ยถามถ้ากินสักเต็มบาทเนี่ย แป๊บเดียวก็หิวอีกแล้วแป๊บเดียวก็หิวอีกแล้วแต่ถ้าหาประเภทเนยอ่ะเนยใสอ่ะเนยใสที่แข็งแข็งเลยนะไอ้เนยตัวนี้กินแล้วอิ่มเลยนะอยู่ได้นานเลยนะมันมันมั น, มนหนาใช่ไหม <S <S ก็ไม่อยากกินตลอดวันอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยในวันดาวัตถุข้าวยาคูและเนยใสย่อมบันเทาอันตรายและก็ไฟท่านเกิดเหตกรรมได้แต่ไม่สามารถจะหล่อเลี้ยงไว้ได้ แม้ข้าวโอชาจะหล่อเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถจะบรรเทาอันตรายได้แต่ข้าวยาคูและเนยใสทั้งสองอย่างรวมกันเนี่ยถ้าสองอย่างรวมกันเนี่ยสามารถบรรเทาอันตรายและก็อยู่ได้ด้วยหล่อเลี้ยงได้ด้วยบางทีเนี่ยมันบรรเทาอันตรายจะไว้ป้องกันแต่โชดธาตุได้แต่มันบรรเทาเข้าใจตรงนั้นใช่ไหมกรดไรต่างๆเหล่านี้มันจะไปเผากระเพาะตายก็ได้ใช่ แต่มันไม่หิวได้ไหมนะมันไม่หิวได้ไหมใช่ไม่มีรองรับธาตุไฟการอาหารไม่มีรองรับธาตุไฟนี่เป็นอย่างนี้ส่วนผัสสะหกนะมีจักรคูสัมผัสสะโสตสัมผัสสคานะสัมผัสสชิวหาสัมผัสสกายะสัมผัสสและมโนสัมผัสสอันนี้เขาเรียกผัสสาหารภัสสะใช่ไหมในที่นี้ท่านบอกว่าภัสสะนั้นนะนะในบรรดาภัสสะเหล่านี้ คำถามบอกว่านี่นี่เขาเรียกผัสสะหกถามว่าในบรรดาผัสสะเนี่ยมีอะไรเป็นถามว่าผัสสะเนี่ยภาษสอาหารตัวเนี้ยมีอะไรเป็นเป็นเหตุในที่นี้ท่านบอกมีอะไรเป็นเหตุฮะไม่ใช่ในอาหารสี่เนี่ยมีอะไรเป็นมีอะไรนะภาษาตัวเนี้ยมีอะไรเป็นที่ฮะผัสสมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นสมุทัย